รู้ทันว่าอยู่ในระบบเงื่อนไขก็ใช้มันให้เต็มคุณค่ามีคำถามที่เป็นเรื่องของยุคสมัยว่าฉันทะในการทำงานเวลานี้จะเป็นอย่างไรฉันทะแปล ง, ง่ายๆก็คือชอบนี่เองก็มีผู้เล่าว่ามีคนมาสมัครงานเขาสัมภาษณ์ว่าคุณชอบงานนี้ไหมคำว่าชอบนี่กมกวม คนหนึ่งตอบว่าชอบแต่หมายความว่าชอบที่เงินเดือนดีจะได้เงินมากๆทํทำงานสบายไม่ต้องหนักไม่ต้องเหนื่อยงานก็ง่ายสะดวกทั้งมีเวลาพักเยอะแล้วก็เงินก็เยอะนี้ชอบอย่างหนึ่งทีนี้อีกคนหนึ่งตอบว่าชอบชอบอย่างไรก็ชอบที่งานนี้ถูกกับความถนัดความสามารถทำและจะมีประโยชน์ ช่วยประเทศชาติดีแก่สังคมอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นงานที่ดีงามสร้างสรรอย่างนั้นอย่างนี้ชอบเพราะว่าอย่างนี้เป็นอันว่าคำว่าชอบในที่นี้เป็นคำกากวมกัมกึงระหว่างปัญหากับฉันทะถ้าจะให้ชัดก็ต้องพยายามสร้างความเข้าใจในคำว่าฉันทะให้ชัดขึ้นในสังคมไทยถ้าถามว่างานนี้คุณมีฉันทะไหม ก็หมายความว่ามันถูกกับความถนัดความสามารถเรามองเห็นคุณค่าประโยชน์ของมันต้องมองด้วยปัญญาไม่ใช่ชอบเพียงเพราะว่ามีเงินเดือนดีสบายขี้เกียจได้พักผ่อนเยอะอย่างนี้ก็อยู่แค่ความรู้สึกเห็นแก่ตัวนี่คือตันหาถ้ามีฉันทะก็อย่างที่ว่าเราทำงานนี้เรารักงานจริงๆ รักเพราะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ว่างานนี้เป็นการสร้างสรรค์สังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติถ้างานที่เราทำอยู่นั้นไม่ชัดในเรื่องประโยชน์ทางสังคมหรือถ้าเรามองไม่เห็นคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติแต่เราจำเป็นจะต้องทำก็สร้างฉันทะขึ้นมาในแง่ที่มองเห็นว่ามีคุณค่าในการพัฒนาตัวเรา มันจะทําให้เราได้พัฒนาชีวิตของเราเพราะว่างานนั้นมีความหมายอย่างหนึ่งก็คือเป็นแดนพัฒนาชีวิตของเราคุณค่าอย่างหนึ่งของงานนั้นไม่ว่างานอะไรจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามก็คือจะทําให้เราได้พัฒนาตัวเองเช่นยิ่งงานยากเราก็ยิ่งได้พัฒนาตัวมากคือได้ฝึกตนได้พัฒนาสติปัญญาและความสามารถต่าง เพราะฉะนั้นถ้าปลูกฉันทะได้ดีแล้วคนมีความใฝ่ฝึกใฝ่ศึกษาตอนนี้แหละเขาจะชอบแม้แต่สิ่งที่เคยไม่ชอบชอบแม้แต่งานที่ยากตามกติที่ว่ายิ่งยากยิ่งได้มากคืองานยิ่งยากเราก็ยิ่งได้พัฒนาตัวเองมากกว่างานนั้นจะเสร็จกว่างานนั้นจะเดินไปได้ดีเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปมากมาย ที่ว่า ง, งานเป็นแดงพัฒนาชีวิตของเรานั้นขอให้คิดง่ายๆ ง, งานกินเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราเช่นวันละ8ชั่วโมงคือเท่ากับ1ใน3ของวันเหลืออีก16ชั่วโมงก็นอนบ้างเดินทางบ้างเหนื่อยเส็แล้วหมดไปอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรก็ต้องเอากับเวลา8ชั่วโมงนี้อย่าให้เสียเปล่า ถ้าไปมัวทุกข์ฝืนใจกับงานนี้เราก็แย่เสียไปวันละแปดชั่วโมงเปล่าๆและชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นก็รีบสร้างฉันทะขึ้นมาให้เห็นคุณค่าที่จะรักงานขึ้นมาให้ได้บอกตัวเองว่างานนี้ทำไปเถอะเราจะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา พัฒนาปัญญาพัฒนาจิตใจให้มีความอดทนให้มีความเพียรให้รู้จักควบคุมตนให้มีสติให้มีสมาธิเป็นต้นงานทุกอย่างใช้พัฒนาตัวเราได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ได้พัฒนาตัวเองถ้ามีฉันทะอย่างนี้การทำงานก็จะมีความหมายและมีความสุขมากขึ้นถ้าเกิดไปทำงานที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจ จิตก็อัดอั้นวนเวียนไปมาไม่มีทางออกจิตอั้นเดินไม่ได้ไม่มีทางออกไปก็คือทุกข์ทั้งนั้นจิตที่เป็นทุกข์ก็คือจิตที่อัดอั้นไม่มีทางไปออกไม่ได้ก็วกวนอยู่นั่นพอจิตมีทางไปแล้วก็โล่งมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าไปประสบปัญหาก็สร้างฉันทะขึ้นมาด้วยวิธีแบบนี้งานทุกอย่าง เราจะมีฉันทะได้หมดดังที่ว่าถึงอย่างไรมันก็เป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเรามันมีคุณค่าที่จะใช้พัฒนาชีวิตของเราได้พอก็ไปอยู่ในงานก็ต้องเจอผู้คนพอเจอผู้คนถ้าไม่มัวคิดอัดอั้นก็เป็นโอกาสให้ฝึกตนเองได้ทันทีเราลองหัดพูดกับเขาสิพูดอย่างไรจะได้ผลดี พูดอย่างไรจะไม่ขัดใจกันพูดอย่างไรจะสร้างมิตรพูดอย่างไรจะทำให้เขาร่วมมือแล้วงานของเราจะได้สำเร็จอะไรอย่างนี้นี่ก็คือเป็นการฝึกตัวเราเองไปหมดดังนั้นงานก็เป็นการศึกษาไปในตัวที่จริงงานก็คือสิ่งที่จะต้องทำแล้วฉันทะก็คืออยากทําแล้วอยากรู้อยากทําก็คือการศึกษา การศึกษาก็อย like ู่ที่อยากรู้อยากทำพออยากรู้อยากทำก็ได้เนื้อแท้ของการฝึกการศึกษาก็คือการฝึกอยากฝึกก็คืออยากศึกษาอยากศึกษาก็คืออยากรู้อยากทำเราไปทำงานเราทำด้วยอยากทำเราได้ฝึกตัวเองก็เป็นการศึกษานั่นเองที่จริงไม่ว่าจะเล่าเรียนหรือทำงานก็เป็นการศึกษาทั้งนั้น คือเป็นการพัฒนาชีวิตของตัวเราเองถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วทั้งชีวิตนี้ก็คือการศึกษาและก็คือเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวพัฒนาชีวิตนั่นเองทีนี้ตอบสรุปตามหลักวิชาความหมายของฉันทะตามหลักนี้ใช้กับอะไรก็ได้ดีและได้ผลทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องการทำงานคือมีความหมายสองแง่ แง่ที่หนึ่งชันทะในแง่ต้องการให้สมบูรณ์ตามสภาวะคือเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็อยากทำให้สิ่งนั้นเรื่องนั้นงานนั้นดีเรียบร้อยงดงามให้มันสมบูรณ์เต็มตามสภาวะของมันที่มันควรจะเป็นแง่ที่สองชันทะในแง่ต้องการตรงไปตรงมาตามเหตุปัจจัย คืออยากให้ได้ผลดีที่ตรงตามเหตุปัจจัยของมันเช่นที่ยกตัวอย่างอยู่เสมอว่าการงานอาชีพอะไรก็ตามก็มีวัตถุประสงค์ที่ตรงตามสภาวะของงานนั้นอย่างอาชีพแพทย์ก็เพื่อรักษาคนให้หายโรคอาชีพครูก็เพื่อสอนให้เด็กเป็นคนดีมีความรู้เราทำงานอาชีพอะไรก็ถามตัวเองให้ชัดว่า วัตถุประสงค์โดยตรงของงานอาชีพของเรานี้คืออะไรอย่างงานของรัฐขององค์กรทั้งหลายเขาก็ต้องตั้งวัตถุประสงค์ไว้ทั้งนั้นเราจะทำงานเราก็ศึกษาให้ชัดและดูว่าวัตถุประสงค์อย่างนั้นเรายอมรับไหมพอใจไหมชื่นชมไหมเมื่อตกลงใจแล้วก็จะได้ทำให้ตรงให้ถูกและด้วยความพอใจตั้งใจ ก็ทำงานโดยอยากให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์อันนั้นอย่างนี้คือฉันทะส่วนเงินทองหรือเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นต้นก็เป็นเรื่องของระบบเงื่อนไขถ้าเรามีฉันทะแล้วก็มองด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันว่ามันคือเครื่องสนับสนุนคำจุนให้เราตั้งหน้าตั้งตาทำงานอาชีพเพื่อวัตถุประสงค์นั้นๆได้เต็มที่โดยไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องการเลี้ยงชีพความเป็นอยู่ ถึงแม้อยู่ในระบบเงื่อนไขแต่เรารู้ทันและเข้าถึงสาระทีนี้เมื่อเราทํางานด้วยฉันทะเพื่อวัตถุประสงค์ของอาชีพอย่างถูกต้องรัฐและองค์กรเป็นต้นที่รู้เท่าทันสภาวะของระบบเงื่อนไขนั้นก็ทําหน้าที่เอาใจใส่ดูแลอุดหนุนค้าจุนต่างๆด้วยเงินเดือนเป็นต้นโดยไม่มองแค่ที่จะเป็นเงื่อนไขเพื่อบังคับคนให้ทํางาน แต่มุ่งเกื้อกูลหนุนให้คนมีฉันทะที่จะตั้งใจและตั้งหน้าตั้งตาทำงานนั้นได้เต็มที่โดยไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องเงินทองค่าใช้จ่ายในการเป็นอยู่ให้คนทำงานไม่ต้องคิดที่จะไปหาที่อื่นหรือทางอื่นถ้าเป็นไปตามที่ว่ามานี้คือเราก็มีฉันทะตั้งใจทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ของงาน และใจก็รักอยากให้ได้ผลอย่างนั้นและพร้อมกันนั้นเงินเดือนค่าตอบแทนก็มาถึงแก่เราให้ตัวเราและครอบครัวอยู่กันได้อย่างสุขสวัสดีอย่างนี้ก็คือความถูกต้องดีงามให้เรามีความสุขทั้งสองด้านคือด้านตัวงานที่ทำก็มีความสุขว่าได้ทำถูกต้องด้วยฉันทะแล้ว แลด้านค่าเลี้ยงชีพที่จะอุดหนุนเป็นหลักประกันให้แก่การทำงานของเราก็มาหนุนจริงจังให้เราทำตามชันทะต่อไปได้เต็มที่เราก็มีความสุขที่ทุกอย่างจะดำเนินเดินหน้าต่อไปได้เป็นอย่างดีมั่นใจว่าชันทะของเราจะออกผลสมวัตถุประสงค์แก่องค์กรแก่ประเทศชาติอย่างราบรื่นยืนยาวต่อไปนี่คือระบบของฉันทะ